อันนี้ก็คือมือสันวันดีมือหนึงวันออกไปมือสันวันดีที่สองฝนไม่เคยตกเลยปีหนึ่ อ, อบวชนากานันออกไปหน้าขึ้นไปเลนหน้าเลยฝนตกกันออกไปเมื่อนีร่จะบวช น, านะวนาว้าได้หมดเลยเพราะจะบวชน้าบวช้าเลยฝนตกและคือเมื่อนีร่ที่มีบวชสามองค์บวชน้าสาม แล้วกัผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของหนกักเตรียมตัวเนี่ยแนหะเส้นรับรองบัตรประชาชนรับรองหนกักตะกอนห้องบวชตะปูตะปู่ปูปูห้องบวชบวชแบบง่ายๆแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้มีการเส้นรับรองรับรองกันสมัยหลวงพอบวชเพรเดี เ, เส้นรับรองอยากได้กูบาอาจารย์รับรองแล้วก็แล้วอันนี้มันต้องมีการเส้นรับรองคณะนาค บวชเข้าไปแล้วทําตัวพอดีทําตั ว, ตวมีปัญหาผู้รับผิด ช, ชอบติไม่ไรเฉื่อรับหนกักรับร่องหนักเลยเต้องเป็นผู้รับผิด ช, ชอบเด้เอเพราะนั้นขั้นบนเซียหนักเก็บของอยู่ยไปหารับผิด ช, ชอบไปเลยเลยงี้บวชประตูเม่ตา <laughs> ขั้นโรคหลานกั้นลกูกหลานไปหากินยาบ้ายามา้마เยอะ ยังไปรับร่องมาหาเส้นสัญญาสเส้นรับร่องเน่ติดคุกเด็กนี่นี่ว่เอาผูเส้นรับร่องเดนี่นี่หว่ายุคสมัยดีอเฮ็ดยังได้มันก็ บ, บอกขัดคนละอย่างหลวงพ่อเคยเบอกจย่มือวานหมือกรใส่ผ้าอยู่ใส่ไปหาปน่นโยมจังสั่นมันก็มีเลยมาใหหนพวกเข้าผมผ้ากันมาประนามพระปะั่ พระบอดีจังสันพระบอดีจังสันพระเฮตจังสันพระเฮตจังสิวลงไปปมผ้ากันปะน้ำทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งปากต่อปากแต่ตามไม่จริงแท้คันทว่าสื่อบังกระคักเน่ยมันผูกที่มันเฮตจังสันนะมันเป็นสันดานสันดอนมันจะใส่มันเป็นสันดานสันดอนมาตพ่อตะแมตะปูใจใหญ่ตายง่ายจะเป็นคราวาสมันก็เป็นนักเลงโต กินยาบ้ายาหมากินขันซายาฟินเป็นนักเลี้ยงปนะดมจนอยู่บ่ได้จนญาติาพี่น้องเอาบริูภคไปยังคอยพักมาบวชพ่อพักมาบวชไปเนี่ยพ่อมาบวชเป็นพระแล้วไปเนี้มันบวชลดละนิสัยเดิมมันเด้พ่อมาเป็นพระมันแมนยุกเดือ ห, หัวโลดก็ผ่าเหลืองคุมมันไว้แห้งเก่งกว่าเกาอีกบา่ไหนลวดไล่เกามันก็ออก พอลวดไล่เขาออกกันในระบาเนี้่มือว่านมือก่อนพระกินเหล่าเมาเลยไปปนเอารถเขาแกล้งเขาวัดเขาไปจับไลยนั่นีอก็ลงพอก็ได้ยินเขาว่ามาไม่ไหมนี่แหละถ้าสรุปเปิงแล้วมันเป็นมาจัางไดเป็นมาจากตระกูลมาจากก้นต้นกําเนิดไปเอาข้นชัวมาบวชเอาข้นที่สังคมไม่ยอมรับแล้วเอามาบวช พ่อมาบวชแล้วปนามป่ะเนี่ยปนามสถาบันพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพันสอ น, อนเป็นคนเป็นคนดีเลยให้มีศีลธรรมเลยหมดตัวหนึ่งพันวิให้ยขาดเลยเนปาหน้าอาทินหน้ากาเมมุสามเป็นสิ่งที่โชคปกเป็นสิ่งที่บอดีเนาะแต่พ่เของมาแหละมันบมนเหตตามทิทธะบาทเลมันเอานิสัยเกา่าสันดานเก่านะมาสื่อเปลงลิงนุบานี้คนที่สัวซวพาที่สัวซวทั้งหลายแหล่ให้เข้าสื่อประวัติเบิงเป็นมาสจะใส่เป็นม า, าสตะพุ่น แต่พอตะเมอเอาบาไหวยังคอยพักดันเขามาบวชพอเขามาบวชแล้วมาชัวในศาสนาบาเนี่ยปนัามพาาันศาสนาหลวงพอวอ่อบบเปลี่ยนธรรมมันทำไปทั้งที่ดีที่ถูกที่ต้องเนี่ยข้นปนั่มพ่อแม่ปุยญาตายง่ายคนเป็นอยังเงี้เอาข้นสัวมาบวชในศาสนาเป็นอยังมาเลือกเอาสันให้คนดีๆมาบวชเอ อ, อนนี้ฟังไหมนะ น, นี่นั่นๆพวกเขาจะจดีฟังเนี่ อย่างลงพอบ่อเมนบบ่อบาดเนี้เอาไปคิดปรุงรสบาดนี่ตามไม่จริงทังที่ดีนี่เออลูกของเฮ้าพวนี้ถึงใช้จังได้กับว่าเป็นที่ข้นสี่ซัวซาละโมกตกเป็นค้นดีอยู่ถึงจะบหดีเลิศกันในขันดีบ่ถึงกับเลียวบ่ถึงกับเดือดร้อนพี่นองพอแมร์ถึงจังไดก็เป็นคนดีในสกุลของเฮ้ามูของเฮ้าคือบ้านคือเมืองเพลนอันนั้นกันดีหรือดีกว่านั้นเออลูกของเฮ้าพนี้ลานของเฮ้าพนี้ เลียนหนังสือก็เก่งหัวก็ดีนิสัยกิริยามารยาตัต้งแต่เกิดมาเป็นคนดีมาตลอดหาที่ตํานี้บ่ได้เป็นนิสัยอ่อนน้อมทอมตนกับพอกระเมยปุยยาไต่ย่ายบ่วงสาคนายาติให้จ้าสี่แหละคนจะไปบวชในศาสนาเอาไปบวชเป็นพระพวกเขาจะได้กาบโดยความสนิทใจเมื่อเขาบวชแล้วนะเป็นคนดีมาตั้งแต่ตนเหา ก, การาบโดยความสนิทใจพอวันเป็นคนดีเมื่อเป็นพระเพื่อนก็ต้องเป็นคนดีอันนั้น แปลว่าอันดับหนึ่งมวลลงไปงอันดับสองลงมากกัเป็นคือบาดคือเมืองเพิ่นบางทีกับมีดีมีชซัวธรรมดาเอามาบวชอันนี้กับย่งว่าดีเพิ่นเขามากกับเจดีปรับปุงแก้ไขของเพิ่นแต่บางคนเนี่ยมันชานเลีวเพแห้งนะบ้านนี้เอามาบวชบวชแล้วมันบอกเปลี่ยนใ น, ใ น, ใ น, นยิสัยเรีบบาดนี่เพราะเมื่อเปลี่ยนนิสัยบานนี้เสียหายแล้วาในศาสน า, เ, าเพราะนั้นพวกเข้าต้องคิดบา้างนะแต่บางข้อประวัติ เฮ้ยพระ อ, องค์กุลิมานเน่ยเดชัวขึ้นอย่างนี่ยอามาบวชเพื่นยังได้เป็นพระรหารนตดชได้เป็นอสิตรีมหาสาวกองคหนึ่งอ่ะเดชเพื่อนชัวประดิษาค้นทั้งเป็นพันกว่าข้นพูน่ะอันนี้แปลว่าภูนั้นบ่ได้ศึกษาเรื่ององค์กุลิมานให้ชัดเจนจ้แจงองค์กุลิมานเป็นมากยังไงบ่ได้บ่ได้ศึกษาให้ดีวันนั้นไปศึกษาแต่ว่าเบื้อไป เบื้องต้นเหตุของเพิลนองค์กุลิมานเพ่นเกิดมาจะใส่เกิดมาจากเป็นลูกของโปโลหิตตายจารย์เป็นลูกองค์ข้ามนตมีเกิดมาในวงในเวียงในวังของพระเจ้าประเสียรที่โกศลพอเกิดมาแล้วนิสัยดีจากนะั้ทรงไปเฮียนหนังสือหนังเข่นหนังสือกัเลี้ยนเก่งอีกจนเป็นที่ยอมรับของคู่บาอาจารย์แต่ว่าพวกอิจฉาทั้งหลายแลนะ่เนี่ยนักเรียนนํากันทำไมกรเป็นนักเรียนกินนอนเนะเป็นนักเรียนกินน้อนอยู่ในกลุ่มบา้านนี้นักเรียนทีน่ ก, กินน้อนเห็นม่น ไอ้ไอหิงสาเนี่ยไปเขาเขอบอาจารย์นี่นิสัยอาจารย์ไห้เนื้อเชื่อใจมากไอยังกัไอหิงสาไอยังกัไอหิงสาไปน้องไปพวกมูตั้งซีหาลอยอิดช้าวนันน้ไปหาเรื่องใส่ไอหิงสาเฉลีวหาว่าไอหิงสาเนี่ยนี่ยังกับเมียของอาจารย์ได้เ่รอเป็นเด็กที่พอดีได้อาจารย์จะไปเสื่อใจได้เ่รออาจารย์ก็ออกมันจะเป็นยังไงเด็กดีแค่ยังไอหิงสาเลยพราที่สุดเขาจัดตั้งเนี่ เรงเรียนหารอยมือหนึ่งยี่สิบกว่าคนเของมอว์บอกมาเลี้ยงกันมอว์บอกอีกชักเสือหาหกเจ็ดมือเอาอีกสิบกว่าคนเของมอว์บอกอีกสักสิาาบยี่สิบมือเอาอีกสิบสิบห้าค น, คนเขาาเองมอว์บอกโวยอาจารย์กันเอียงเอเทแล้วออพอว่าเสือลูกซิเดเอยขั้นอาว ม, มันบนสัวเขาคงมอมามอว์หลายไปนี้หรอกอันนี้มันมันเขาคงจะเห็นหมดกุคนตึกแถวไม่จริงมันแทะทีแทะมันจัดต่างกันเน๊ จะตั้งเขามาสออาจารย์มันออไปขีดตัวอาจารย์ยิจช า, าหิงสามันออกไปผพวในสุดอาจารย์ก็เลยว่างแผนขาดุสิตธนบัตบนี่อบอกว่าจะให้วิชาอันดับหนึ่งเลยเขาว่าเอานิวมือคนมาให้อาจารย์เป็นคาขา่มาันาไปตั้งไข่นิวมือพันหนึ่งมันาไปที่แรกสิงษากับบมินิใสสิงสาเน่ยเพิ่นก็บบอมอลขึ้นกันเนี เปิลก็ะเป๋าผู้นี้จุดอาจารย์ขยันขยอว่าอาจารย์ที่ขาดูทสิ์อยู่เด้ผู้หนึน่งเกรตนาดีผู้นึ่งปฏิเจตน่า ด, ด, ด, าดีไม่เป็นสันผูน้นีุดอายารยขยอลูกที่เกยตนาดีเป็นวว่าอาจารย์สิหอหลือเอาอาจารย์สียหายหรือผมก็สู้เราสันคันว่าอาจารย์ว่ามันดีผู้นีุ้ดเาเลยขาโคนตั้งแต่มือแรกแล้วลงไปไปขอดีมือเขาเขาสิหายทีไห น, นผมขอดีมือเดียวเขาเพื่เพื่อเป็นค่ายอาจารย์นี่ยไปสียห้มันบมะ โบ้ไฮมันก็ดาบตัดข้อตัวกัตัดข้อก็ตัดเอานิ้วมือตัดข้อตัดเอานิ้วมืออช่โอมันบมเมก่ารอยเก่าซีบเก่านิวเด๊ะตามไม่จริงพ่อตัดแล้วไกเนบไปตดใหม่เอาไปเน็บเอาไว้พุมิใหม่ไว้เอาไปเน็บเชิงาใหม่ไว้เอาไปฟังดินไว้ไว้ลงไปเออเมื่จักนกจักกามันก็เอาไปกินละไปเขามาหามันลงหลงหาหลงมองไว้เนี่ยมลืมมองไว้ไว้ลงไปองคอนี้ กิจใจมันล้นเล่ไปแห้งห่อยเด็กที่ไปหาที่เป็นสมาธิจังไรเลื่อมมงนาลืมหลังเอาไปมาโอ้บอ่อใดมันเหี้ยยังหาเสือกเอปล่อยเสือกเคลื่อนยนต์มากว่าเนี่ยมัมัดพ่อขาคนไดแล้วก็มัมัดเนี่ยนิ่วมือใส้ ก, ก็มั่้อยใส้ข้อไวแงมยางอยู่บันเนี่ยเพิ่งว่าโจนองค์คุลิมา น, มนองคคุลีคือนิ่วมือนะเดินไปโจนที่มีนิ่วมือในข้อเดินไปโจนองค์ุลิมานโจนวันไปองคุลีมานโจย อโจนมีดิวมือในข้อกันออกไปผุนน่ะตึงเก่าร้อยเก่าชุบเก่าเหนิยวอยู่ในข้อน่ะยังขาดอยู่นิยวหนึ่งอ่ะขันผู้ไรมากขามัดกันออกไปมันเลือดเข่าตาเลยเด้ขันแมวมากที่ข่าแมวกันออกไปบวไหวไผ่ทั้งมัดกันออกไปไฮเด้ไม่ครบพันก้นออกไปพุ่นน่ะเออแสดงว่าจิตใจองค์ุลิมานโจนเป็นจิตใจที่แน่วแน่ที่สุดเลยกันออกไปหาคนแต่ยังสั่นในหยากเอ่อแต่บัดนี้พอผู้ใดเจ้าเห็นว่าโอ้องค์ุลิมานเนี่ย โจนพนีนิสัยเนียวแน่คานาวาขาแม่ใช่อล่าอนันตริยกรรมหมหาตุขาดปีตุขาดอรหันตขาดโลหิตตบาดสังเกเภศหายางเนี่เป็นบาปนักที่สุดเนีถ้าเป็นคนมีเสถียีกคนเงินธนาบัตรเขามาเต็มสลาเหลืงเหนียวไฟจูดวนไปหาหนึ่งไม้เลยนับหนึ่งไม้เนี่บาป ก, รรมมากับมักถ้าเขาขาแม่มักผลนิพพานทั้งหลายพอมีแล้วพวกผู้ใหเจ้าจะาไหนเป็นโปรดองค์กลิมานเนีพระ อ, องค์กลิมานกันย่อมรับ เอยุศสมณียศของพระเทเจ้าแสดงฤทธิ์เององคุลีมันไลพระเทเจ้าเล่ายุศแล้วสันเล่ายุศแล้วองคุลีมันสันเล่ายุศแล้วสันยศทำไมสมณะโกหกสันยศเลยทำไมยังวิ่งอยู่สันเล่ายุศในการขาสัตว์เล่ายุดในการเบียดเบียนเออเล่ายุดในการทำลายโค่นแล้วสันเล่ายุดแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เธอทำอยู่เดียวสันเธอเองยังไม่ยุดิสันพระองค์ุลิมาัได้ยิ้นท่านว่างดับเลยเขาไปฟัง ว่าผู้ได้เจ้าผู้ได้เจ้าก็ให้ธรรมะเพิ่นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะอฟังโดยสิวันองค์คุลิมานโมเมนสันดานโมเมนสันดานสัวหนูนไปมาถูกอาจารย์สัวแนะนาไปทางทีสัวหนูนไปเอก็เลยเป็นคนสัวเอมันตรงกันขามเลยบางค้นลูกหลานฮ่อนมันสัวมันตั้งแต่เอาโมยูตั้งแต่พอต่อตาแม่พ้น ข, นขัดเจ้ไว้กระยันขาพ่อขาแม่ขาลูกขาเมียเลยจับพักหลังเข้ามาบวช พ่อบวชก็เลยมาสัวในศาสนาเออท่านทีว่าปะหนามสิีปะนาม์ไพบัตเนี่ยิีปะนามศ า, าสนาหรือขึ้นจีปะนามพระเออเป็นอย่างยังสอนบ่อยวางสันติอันนี้แปลว่าสังคมมนุษย์สังคมในเมืองไทยของเขานี่มองมองปลายเกินไปมองมองหาเหงามองมองหาต้นเหตุคันทางที่ถูกเออลูกหลานนี่มันสัวไอ้ที่มันบวชมันบวชเข้าไปแล้วมันบอกปับปุ่มแก้ไข กายว่าจ่าของเจ้าของไปบวชในศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ขาวสะอาดสอนคนให้เป็นคนดีแต่พวกเข้าเอาคนชั่วเข้าไปไปเปื้อนไปดําไปเป็นม่นทิ่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าเอีเป็นของบอดีหนาต่ํานี้ต่อไปคนบอดีบวกค้นเอามาบวชในศาสนาควรจะเลือกสันเอาคนดีมาบวชในศาสนาจังสันมันจึงสิ ถ, ถูกได้หลงพอว่านะ่ะข้านาว่าพวกเขานี่ อย่งพวกได้บอกก็บอน้ำเขาด่ากะด่าน้ำเขด า, กกาดา่าศาสานาเนี่ยเดี๋ยว บ, บาปบาบาปมาตกมหาเจ้าของเลยนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดขยายวุงหรือเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าเอาไปคิดตรงนู้นตีหลวงพ่อเบาหี่อยมันแมนบอกแต่ น, น, นานๆพวกเข้าจะได้ยินไอ้พวกเข้าบางท่านบางคนเป็นพ่อตูมไม่ตาก็บพเคยได้ยินจักเถื่อพระบอกแบบนี้เอาไปอ อ, อาจจะได้ยินมือหนีก็ได้เอาลงไปหลวงพ่อเนี่ยแบอกแปลกแปลกแตกต่างมูอยู่เด้ ให้ไข่เขาบอกให้คิดบอ่อนเปนบอกให้กระแทกกระทั่งกระแทกแดกดันอบอกให้คิดมันแมนบอกกัอนออกไปให้ช่วยกันคิดที่หลวงพอบอ่อให้ฟังเนี่ยมันแมนบอกกัอนออเอปข้านมันแมนก็เออพวกเข้าคนจะสืบจะค้นปฏิบัติเอเจตนาดีจะสืบบอพ่อเนีการเจตนาดีไปทํำลายผู้อื่นมันมันบแมนแนวออในขั้งประเทศจีนคืออประเทศจีนเย พระเจ้าแผ่นดิเดนเจตนาดีเลยผู้ใดติดคุกมาเลยเอามาบวชพรออกจากคุกแล้วเอามาบวช ข, ขั้นบมบวชว่าไรบากคนเดี๋ขั้นชูสีลบวชก็ได้เพให้ติดคุกเออทําความซัวล่ะเขาก็บวชแล้วนะพราะบวชเขามากกว่โอ้มีแต่โจรผู้ไร่เต็มาศาสนาบาัตรเต็มบัดเต็มว่าพวกเข้ามากสิเดือดักป่นเนะดักกี่ดักชุดดักหลากเอาไปมากคนเลยบุกเขาวัดเขาว่ า, าศาสนาก็เลยล่มจมเลยวนะเนช่วงนั้นนน้นไปเป็นโจรผู้ไร่ในวัดในว่า พอว่าเอาคนชัวมาบวชเลยอันนี้ก็คือเป็นอันหนึง่งขึ้นกันเป็นอุท่าหอนขึ้นกันอันนี้ก็คือเรื่องการบวชนะบวชในพุทธศาสนาบวชโมเป็นของง่ายๆเด้เออบวชมะอือบวชมกแตงบวชกล้วยเขายัางไงเตรียมนําห้อนน้ําอุ่นเตรียมกะทิมะพร้าวเตรียมนําตวงเตรียมนํา ต, ตาดมันบมดละเออบวชพระนี่ก็ขึ้นกันนั่นนะเีย่ว่าหลวงพอ่อเอกหน้ามาบวชหลายเดือนมาเบิ้งกิริยามารยาท เบื้องการเป็นอยู่เออเอาเอาขาหมูได้นิสัยดีใช่ได้บวชได้หลวงพอยังให้บวช ด, ด้วยแหม่การเป็นข้าราชการมากกื่าเออเป็นข้าราชการยังไงก็วงการข้าราชการเขายังรับรองแต่ขนาดนั้นก็ยังถือกันได้ปีกายปีก่อนโอ้หลวงพ่อเนี่ปวดหัวกับข้าราชการบนเท้ามนออไปข้าราชการมีอยูพูดแถวหนีมันไปฟังเอาไว้นะเออไอเลี้ยวๆก็มีขึ้นกันเด้เออเ๊ียังว่าหลวงพ่อปวดหัว นั่นปีกอนนะ่ะโมเมนตีพกายนี่ยวะนี่แหละอันนี้สรุปแล้วคือมีทุกวงการนั่นแหละวะ่าเอเรื่องวัดว่าศสนราพรสงฆ์ขงกิจเจ้าก็มีเหข้าราชการทุกวงมันก็มีอวันละคนชัวแปกปลอมเข้ามาแต่ถึงอะไรก็ตามพวกคนดีต้องเบ่งคนชัวอย่าให้มีค้นชัวคนชัวมีอํานาจให้คนดีปกคล้องบ้านปกคล้องเมืองคนชัวมันก็จะให้สกัดออกมดมันเขา้าไปเห็นว่ก็มีโยคนลงไป ก็ในหลังกายของเขานี่นหะเออโอ้ยนี่มือมันงอโอ้ยนี่มือมันงอบ้านใดเราตัดทิมซ้ํากับบแมนอีกคนอนึ่งไปเนีมันงอกับมันงออยู่หันหละเหตุจางไหนมันอยู่ของเขากว่านอไปอ่แต่ก็อย่าให้มันใส่งานอย่าให้มันใส่ความจําเป็นมากกว่านอไปเนยอย่าให้มันออกแขกหลายกว่านอไปเนี่ยมือมันงออีกคนไปก็สซีดลงลบที่เลี่ยงมันไว้แล้วอีกคนไปเอ่ลักษณะอีกท่านอันนี้คือกันกับขนซัวขึ้นกันนะอ่าพระซัวขึ้นกันขนซัวขึ้นกันอันนี้เขาก็ อเอาคนดีออกมาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองวัดว่าศาสนายิ่งจะจะเลื่อนดุเรื่องไปได้น ะ, อ, ะ, อ, ะอันนี้ก็คือเบาเรื่องการกดระเบียบสําหรับให้พวกเข้าเป็นแนวความคิดแต่สําหรับคิดส่วนตัวของพวกเข้าบ้านคิดส่วนตัวของพวกเข้าเขาเกิดมาจากใสเกิดมาจากทองพออกแม่เป็นอย่างยังเกิดมาเข้าบูดจักแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วเพอเกิดมาแล้วกัเนี่ยเป็นไงเป็นหนุม่มเป็นสาวขึ้นมาก เราจะหอดไปโยหอดไส่หอดหอดอยู่หอดมือตายหนดลงไปตายแล้วจักไปใสอีกอันนี้คือวัตถุวัลของมนุษย์ชาติพระพุทธศาสนาลักธของพุทธศาสนาพระพุท ธ, ธเจ้าพันสอนไปได้ก่อนจะมาเกิดม า, ากอางไหนมาเกิดวิญญาณมาถือปฏิสนธิในท้องแม่จากนั้นเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายต่อมาก็เป็นหลุมล่างขึ้นมาร่างกายมนุษย์ของห้อง มีร่างกาย2อย่างคือลูกประทับกับนามธนถ้ำลูกประทับเนี่คือร่างกายหน้ามันถ้ำหคือจิตใจอาศัยกันอยู่เมื่อตายไปแล้วร่างกายก็แตกอีกว่ะไปลูกประทับเนี่แตกอีกแต่หน้ามันถ้ำนึ่ออกจากร่างไปอีกไปปฏิสนทีใหม่อีกสรุปแล้วตายแล้วบ่อศูนย์ว่ะไปศูนย์คือร่างกายจิตใจบ่อศูนย์บาปปุลคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงว่ะไปตายแล้วบ่อศูนย์ พรนั่นพวกเข้าให้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่ใจของเจ้าของไว้นะใส่หน้ามันถ้ำขึ้ใจนั่นนะ่ะตัวพอตายนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะจนกว่าตัวนั้นมีบุญบา ร, รมีบุญนักสักยัยสัมฤกษ์กิเลสราคะโทษสะโมหะเป็นพระหรหันจิตใจบริสุทธิ์มื่อใดวันไปสกัดกิเลสออกมาเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ล่ะอันนั้นแหะเป็นพระหรหันบาตรเนี่บ่มาเวิ่งไหวตายเกิดในวัฏสงสารแหละบาดนี่ เขาสูนิพ่านนิพานั่งประมั่งซุ ข, ขังนิพ่านเป็นซุขอย่างยิ่งแลงไปไปพอินั้นพวกเข้าสางบุญสางกุศลใส่เจ้าของเนอะนรกมีหลีอได้ตายไปทําซัวตกนรกเด้นรกเมืองมนุษย์ก็คืออยัางคือคุกหนึ่งเนี่ยทำความซัวเข้าไปไปตีไปขาไปคดไปโกงไปปุ่นไปจี้พิษกฎหมายกับเขาคุกอันนี้คือนรกเมืองมนุษย์ขันนว่าเข้าตายไปแล้วทําความซัวไปแล้ไผ่ปเห็นออกไปเะบาฮาตายไปแล้ววันนี้พยายมย่อมผาบานมันพ้นจด เหตุารไปแล้วบัญชีของเพล่นนะพลเฮ็ดอย่างพลอยเฮ็ดอย่างคือกันกับจดเส่คอมพิวเตอร์นั่นแหะเป็นยังเขาังจดอะไมันหลายปนอยบตองบ่คอมพิวเตอร์ของพยาขอกบานแห้งละเอียดพลงไปเอ่ั่นพลอยทาความซัวจดเซ่นังมาเนาไปหล ด, ดขวักขวหลดลงไปนังมาเนลไปขั้นพลอยทาความดีจดเส่แผ่นท่องแผ่นท่องข้าหล ด, ดจดจดไ้หลดลไปเอ่บัดห้าไปหอดบห้าตายไล เจ้าทากำกรรมดีกรรมชั่วอย่างซีแมดบอนะ่ยปฏิเสธวุได้เลยเพราะเครื่องขอมพิวเตอร์เขาบอกไว้ทุกเวลาหน้าที่เลยเนี่ย mm. เขาก็ลากข้อไปนร ก, กเป็นเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันใส่นี่กรรมไปละบาทขัน่าวาปุระทำบุญก็นั่นแหะส่งไปสู่สุกติโลกสวรรค์ไปพ้มไป เ, เป็นชันช้นชั้นต้นตอนไปละบาทนีเ่เพราะนั้นคนเท่าเกิดมากยังบวชขึ้กันเป็นโมละ่ะขันทาาเลือกเกิดใดก่อน อ, อันนี้มันเกิดเลือกเกิดบุตได้เลย เพราะใหุ้ด้พราะกรรมพามาเกิดวันนั้นพวกข้าให้ส้างกรรมดีไว้เนอะยปมาดให้เสือพระพุทธเจ้าเสือกูบาอาจารย์ไว้ให้ทำบุญทำท่านไว้รักษาศีลภาวนาไว้ไหวพระสวดมนต์ล้วนแล้วต่เป็นบุญกุศลทั้งมืดละเมื่อไหนก็ะได้มาบวชพระวันนั้นให้พอมพระกันทํามือความตังอกตังใจท้ามือความเต็มใจบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมี นั่นๆพวกเข้าไดมาไดมาสางบุญสางกุศลเดบวตพระไหวเนี่พระพุทธศาสนาพระที่ห้องมาบวชไวเนี่เพิ่นทังอกตังใจรักษาศีลภาวนาเพิ่นมัดกิเลสต่อไปเป็นพระละหันโอ้ยบุญกุศลของข้าพวพระพันถเหล็กรางวัลที่หนึ่นอมันเรางวัลที่ึงประเทศไทยด้วร่องวัลที่หนึ่งปุนอะอังกฤษอเมริการป็นลอยลอยล้านไปลุ้ยเลยเราไปการ่เาเพิ่นตังใจภาวนานะ แต่เพื่อนเป็นพระละหันขันวน่าเพื่นขี่คารภาระวนาบารเนี้ยเข้ากันจมไปโดยคือกันเน้ี่อคือกันครับทรงเอลูกหลานไปสร้างอุ้งศรนนะ่ะไปหอดพุ่นไปหากินเหล่าเม่ายาไปหาตีหัวแขกเกี่วบอนี่ ย, ยจับเขา้าคโกคนไปใครหน้าก็เลยถึงยึดทรัพย์บอไปอันนี้คือกันนะเพื่อนนั่นพวกพระลูกหลานของเข้าต่างอกตั้งใจภาะวนาเนี่อคันภาะวนานี่เป็นพระละหันลูกหลานญาติพี่น้องมาบวชโอ้ยบุญกุศลมหาศาลทอดไป ว่าพวกเข้าบาบัวลขีข่ข้านี่ข้านแล้วเยว้ลทําตัวเป็นคนชัวพระสัวอีกว่าเนี่ยพวกปานฮ่องซงลูกหลานไปเมืองแขกไปทางานน่ะนะหน้าทั้งพีกระถูกยุดทั้งพุนกรติด ค, คุกพุทลงไปว่เป็นผลดีสาหรับพวกเขาวันหนพวกเขายเสือ้อนพระพุทธเจ้าเสื้อนี่กูบาอาจารย์เอลงปูลงตาพอแม่กูบาอาจารย์เข้าลงปูมันเปิดพราวนาเปิเหตุหมดละนลกสวรรค์มีจริงเอ ล, ลูกหลาน่ตายแล้วพศูนย์ แล้วเกิดอีกเพราะนั้นย่าประมาทให้เบิงเจ้าของเขาสิตายถี่แท่ด้อันนี้นะปุณหะอนุของเขาเท่าไรแล้วเดือนหมดถึงหลายปีด้อันนั้นคือมาตรฐานพอถึงมาตรฐานก็จักสิตายบ่าไรก็ป่งหงุไหลตายก็บมีนอนตายไม่กินเขาอิ่มๆตายก็มีตกรลดตายก็บมีตกน้ามันมีเนี่ยคือชลผอย่างเอาไปการตายของมนุษย์เพราะนั้นเขาสิตายแบบไรเขาก็มีปุ่งหงุ่เพราะนั้นขณะที่ยังพระท่านตายนี่ให้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ บ้าตายเลยจะให้ผู้อืน่นเฮทให้การผู้อื่นเฮทใหนะ้มันบมถือหรอกบางที่อเอาเงินไปให้เขาว่าให้เขาไปซื้อของเขายังไปซื้ออื่นไอ้ซื้ออย่าให้กูได้หรอกบางที่เขาไปซื้อเหล่าคนน่ะอันนี้คือกันบาหาเฮ้าตายไปเลยซื้อทำบุญให้กูได้หอกผู้น่ะเขาไปซื้อเหล่าสู้มูกินผู้น่ะบ้านเฮาเอามาถวายทําบุญทําท่าน4ีบาทนึง่งบ้าไปซื้อหนังฟังล่ำผู้น่ะเป็นหมืน่นเป็นแสนผู้น่ะมันล้วนแล้วแต่จะเอาบาปใส่ผู้ตายตังหะเพราะนั้นเฮายังมีชีวิตอยู่นี่ เหตุอย่งข้าวสีสางอย่งข้าสางข้าวลดบ่ต้องค่อยลูกค่อยหลานบ่ก็ต้องค่อยพีค่อยนองบ่ต้องค่อยไผวันออกไปไปวัดไปว้ารักษาศีลภาวนาหายท่านทำบุญบวแมนเให้ท่านอย่างเดียวจะเป็นบุญบวแมนเด้รักษาศีลเป็นบุญภาวนาแห้งเป็นบุญหลายวันออกไปวายพระสวนม่อนก็เป็นบุญมาบวชหน้าสังศิษก็เป็นบุญขึ้นกันนะบวแมนเให้ควักเงินออกจากกระเป๋าเป็นบุญบวแมนเด้อันนั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งคือกันห่อเราไป อแต่เขาจะไปหาขึ้นแต่ว่าทำท่านในว่ายังเป็นบุญมาแมนรักษาศีลกับแมนพ่อวนหน้ากัแมนไปฟังเทศฟังธรรมจังมืเดเนี่ะได้มาได้ฟังหลงพ่อว่าก็ดั่งไปคิดไปพิ้ยหนาปั๊บปุ่งแก่ใคเจ้าของเออตายแม่นอหลีได้หลงพ่อว่าตายเอลีได้เกิดมาว่นถึงลอยปีได้ อ, อบุคคลประมาทเด้อไหว้พระสวดมนต์ไปวัดไปว่าเน้เอพระสงฆ์องค์เจ้ามากบิณฑบาตนาบานาบานาเฮื่อนกับไสบาน นั่นแหะทำบุญทำทานเอาไว้เพื่อได้กินพบน้ายชาติหนา้าตัวว่านะมันอีลงพ่อเบาเงีวเพราะเป็นวันพระพวกครูบาหนุงครูบาหน่อยยังขอไปแห้งนะมั้เอาลับพ่อ้ฉบับนี้เนอะ